รเรื่องราวต่างๆของจุลัยเขาได้เปิดทราบว่าเป็นนิทานอย่าถือว่าเป็นเรื่องจริงจังก็มาคุยกันต่อไปในเมื่อจุลัยไปกับพระแล้วพระจะก็แนะนำให้รู้จักสถานีหมายถึงว่ากล้องส่องทางไกลส่องม น, มนุษย์สวรร์ แต่ว่าจุวเลยเองก็ยังไม่ทราบว่าเป็นมนุษย์ชาวโลกชมพูธรรมหรือว่าเป็นมนุษย์ในโลกพระจันทร์ธรรมเธอก็มาลำพึงในใจว่านี่เรามาคนเดียวพระท่านก็ น, นำมาแล้วไม่ได้ชวนใครมาด้วยถ้ารู้ตัวอยู่ก่อนก็จะชวนคุณแม่มาด้วยแต่ว่ามองดูคุณแม่เห็นนั่งสงบมีอารมณ์สงับ มองดยบี่คนหนึ่งนั่นคือคุณป้าน้อยนามสกุลการดาสําหรับชื่อนิบรนดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านได้โปรดทราบว่าไม่มีเจตนาจะนาใครมาเป็นตัวนิทานตัวเรื่องและนิทานเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นและนามสกุลที่ตั้งขึ้นถ้าบังเอิญไปชนกับชื่อของใครนามสกุลของใครเข้าก็ตัวเขโจะปอภัยด้วยไม่มีเจตนาเป็อย่างอื่น ก็รู้ความว่ามันมองเห็นป้าน้อยก็คิดในใจว่าถ้าบารมีของพระ ม, มีความเข้มข้นแล้วไม่เกินวิสัยที่จะสงเคราะห์ได้คอยป้าน้อยขึ้นมาที่นี่เพียงคิดเท่านี้ก็ปรากฏมีแสงสว่างเป็นสายหกสีพุ่งลงมาที่ป้าน้อยและป้าน้อยก็ลอยขึ้นไปตามแสง ก็เป็นว่าป้าน้อยานาคุณกานดาจุไรก็พบด้วยเป็นเพื่อนคุยกันแม่เลือกพระท่านกาลังจะพาไปสถานที่อื่นจุไรก็ถามป้าน้อยว่าป้าเคยมาที่นี่ไหมป้าน้อยก็บอกว่าป้าไม่เคยมาจ้ะจุไรก็เชี่ยดูว่าป้าดูอะไรนี่แน่ลูกตาไหลาตาเยอะเชียว ส่งมายังโลกชมพูที่เราอยู่แล้วก็มีจอข้างหลังเยอะเห็นเห็นภาพโลกชมพูชัดเจนใครจะไปใครจะมาไปไหนมาไหนเห็นชัดหมดป้า น, น้อยก็มือไปจับจับป้า น, น้อยเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณเหน็นจะหกเป็นหกสิบกว่าหรือเจ็ดสิบก็เป็นว่าไปจับไปจับมาแล้วปกระยับจับปุ่มอะไรข้างคองมพิวเตอร ภาพนั่นก็มีการเคลื่อนไ ห, ไหวทั้งหลายขอดูภาพจุดนี้แล้วเห็นจุดโน้นได้เห็นจุดโน้นได้ตามปุ่มต่างๆบ้า น, น้อยมองดูแล้วก็บอกตัวไหลว่าของอัศ จ, จริงนะแต่ความจริงมันก็ไม่แปลกมากนะักเพราะว่าเวลานี้ชาวโลกมนุษย์เราชาวโลกชมพูเขาไปโดนจันทร์เขาไปโดนใครกันคนในโลกชมพูก็สามารถเห็นภาพเด็ทุกคนถ้าดูโทรทัศน์ แล้วเขาสามารถจะพูดกันได้ฉะนั้นส ถ, ถานีนี้จะเป็นใครทําไม่สําคัญแต่ว่าป้าน้อยมองไปมองมาป้าน้อยบอกจุไรหลานรักนี่หลานเห็นภาพเป็นเงาเงาไหมจุไรก็บอกว่าไม่เห็นเจ้าข้าคุณป้าป้าน้อยก็บอกว่าป้าเห็นเงาเงาเงาของคนยมุกดงดองจุไรก็บอกว่า เหมือนกับภาพตรงนี้ไหมก็ชี้ไปที่มุมสถานีเป็นภาพเ็กเล็กป้าน้อยก็บอกว่าใช่เหมือนกันเป็นคนจมูกดองๆเข้าใจว่าอย่าเป็นฝรั่งพระท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าน้อยเลยชาวโลกนี้เขาไม่มีฝรั่งไม่มีคนไทยไม่มีลาวไม่มีเจ็กนะเรื่องความว่าป้าน้อยก็ยังไม่ทราบเออชาวโลกไหนทํากันพระท่านบอกว่าน้อย แล้วหลานจุเลยไปกับลุงปู่ลุงปู่จะพาเดินไปเดินเบาๆค่อยๆเดินนะไปแล้วก็ดูซ้ายดูขวาว่ามันจะมีอะไรบ้างม่เมื่อจุเลยกับป้า น, น้อยเดินเคียงคู่กันไปพระนาหน้าก็มองทางซ้ายมาันผาสายรากวาดมาทีที่ต่างๆมาดูทางด้านขวาก็ปรากฏว่า มีปุ่มโลหะตั้งอยู่หลายๆปุ่มแล้วก็ถามกาศทูลถามพัฒนว่าปุ่มทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอะไรตั้งแต่บอกว่าเป็นสถานีย่อยๆเขาแต่ละคนเขาทาไว้คือทั้งนี้ทั้งหมดเขาอยากจะดูความความเคลื่อนไหวของโลกทุ่พูปก็ น, น้อยก็กาศทูล น, นั้นว่าถ้าอย่างนั้น ปมทั้งหลายแล้วนี้ชาวโลกไปจันทร์ทำท่าชาวโลกชมพูทำท่านเรายิ้มเฉยเฉยท่าไม่บอกท่านดูไปทางซ้ายก็ปรากฏว่ามีภาพคล้ายๆเรือจะเป็นเรือบินก็ไม่ใช่ภาพไม่ค่อยเหมือนกันหัวมันปั่ปานแต่มีสภาพคล้ายๆกับเครื่องอะไรไอพ่นแต่หางแล้วหัวไม่เหมือนเครื่องไอพ่อนนารุดสัโลก นนก็ถามท่านป้าน้อยก็ถามพระธนว่าไอ้นั่นเป็นเรือใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ถามเมื่อถามไม่ว่าเรืออะไรท่านก็บอกเรือบินถามว่าบินไปไหนท่านก็บอกว่าบินไปโลกชมพูก็ถามได้ว่าจุดที่เขาจะไปตรงไหนท่านก็ชี้จุดไปจุดเขตของคนจมุกดงคนยมุกที่อย่างชาวาา เ, อเอเชียนี่เขาไม่ลงมา เพราะว่าชาวเอเชียยังมีความฉลาดไม่พอเท่าเขาแต่ชาวจอมโกดดงๆอันนี้รู้สึกย์เขาฉลาดมากเขาสนใจความฉลี่ของชาวเอเชียตไลาเดืนกราบเรียนให้ว่าน้องปู่เจคะจะไปชมเรือได้ไหมท่านก็บอกว่าได้จึงพากันเลี้ยวซ้ายเดินไปนิดเดียวก็ถึงเรือข้าวไปในเรือแรับรายก็รับไม่มีคนอีก คนสักคนก็ไม่มีร่องรอยของคนก็ไม่มีก็ปรกากฏทุกสิ่งทุกอย่างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดเก็บกมไว้อย่างดีปิดนิดชิดแต่ว่าฝาเปิดฝาประตูเปิดตามปกติก็ปิดสนิทแต่ว่าพอพระธานอามือเข้าไปแตะประตูก็เลื่อนออกไม่ใช่ดึงออกประตูเลื่อนออกเอง เชืมพาเข้าไปชมในเรือไม่มีอะไรเป็นอาวุธที่นั่งเรียบร้อยไม่คช่จะนั่งอย่างเหนียวนอนก็ได้ที่นั่งกวางขวางทางเดินก็กว่างขวางแต่สิ่งที่บรลาดที่สุดก็คือไม่มีซ่่มแล้วก็มีจุดจุดหนึ่งมีกล่องคล้ายกล่องแก้วแต่แข็งมากอาจจะเป็นเหล็กใสเก็บยาแบบทับเสียงทับโซนไว้เยอะ เขาเขียนน้องสีไว้พระท่านอ่าน <c oughs> แต่ก็บอกว่านั่นเป็นยายาที่เป็นอาหารคนทุกคนถ้าไปเกวาียานผานะอันนี้จะไปไกลแสงไกลที่ไหนก็ตามวันหนึ่งจะกินยาแค่เม็ดเดียวจะสามารถส่งร่างกายได้ก็มีกำลังดีเจ้าเล่กเทือกกาถวานุปโวว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะได้บ้างจะเอาได้ไหม แต่บอกว่าไปอธินาทานเจ้าของเขาจะถือว่าเป็นของเขาอยู่ <c oughs> เขาไม่ได้ทิ้งเขาเก็บไวมิชิดอย่างนี้แล้วก็เรือเขาก็เบ็ดสนิทเราเราเข้ามาได้ปฏิหารเอาข็เขาไม่ได้ครืองความเราสองคนน้องป้าหลานก็ต่างคนต่างเสียนึกเสียดายอยากจะได้ยาแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้า บ, บอกไม่กลาไไ้กาแสดงปีญญาเพราะเกรงใจพระท่าน พระเทพก็บอกว่าไปกันดีกว่าไปขั้นหน้าอย่าพบอะไรดีกว่านี้เดินกันไปสักครู่เดียวคือประเดี๋ยวเดียวใช้เวลาประ ม, มาณตึ๊ดหนึ่งนาทีแต่มาไกลามากเป็นการเดินแบบลอยขาในะลุกโซ่ก้าวไปก้าวมาก้ า, าวเท้าซ้ายก้ า, าวาาเวาาท้าขวาจะไเร็วจัดก้าวช้าๆจะรู้สึกว่าเร็วมากเพื่อไปพบสถานีประหลาดอีกสถานีหนึ่ง สถานีนี้มีสภาพเป็นเงาคล้ายๆกระจกทั้งสี่ด้านแต่ได้ว่าไม่มีลูกตาสองมีความใหญ่โตน้อยกว่าสถานีอื่นฉะนั้นนี้ก่อนความใหญ่โตของสถานีนี้ก็มีความยาวประมาณแปดเมตรกว้างประมาณห้าเมตรสูงประมาณเจ็ดเมตรเหมือนกันด้านหนึ่งของสถานีก็มีจอเยอะออจอเยอะ จะดูเห็นหมดเหมือนกันดูโลกมนุษย์จมพูทวีปหรือว่าโลกจมพูเห็นหมดทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างเห็นหมดป่า น, น้อยก็เป็นคนสนมือก็แย่ตรงนั้นแย่ตรงนี้ก็ปรากฏผลปรากฏผลว่าพอแย่ปั๊บมันก็ย้ายที่มองขึ้นมองต่างๆตามจุดต่างมันจะมีปุ่มสําหรับบังคับว่าที่นี่มองจุดนั้นขึ้นออกขึ้นจอ น, นี้ เมื่อกฏปุ่ม น, นี้ขึ้นจอ น, นั้นแล้วก็ย้ายปั๊บไอ้จอ น, นั่นแหละจะย้ายที่เคลื่อนไหวไปได้คล้ายๆกันหน้ากล้องใสแต่ว่าสภาพของกล้องไม่มีป้า น, น้อยก็ดีจุเลยก็ดีก็แปลกใจพระเถระบอกว่าลูกลหลานรักสถานีนี้ถึงไหมว่าจะเล็กกว่าสถานีก่อน ก็มีอนุภาพมากกว่าประธานีก่อนมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสถานีนีนเล่าจะจะดูโลกชมพูได้แล้วการเคลื่อนไหวต่างๆของโลกชมพูจะเป็นจุดไหนก็ตามตามที่เขาต้องการเขาจะทราบหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เก็บไว้ในในต็บในรามในตู้ถ้าเขาต้องการจะเห็นก็าก็เห็นภาพได้ด้วยอัศจรรย์ญญมาก นอกจากการดูภาพได้แล้วก็ยังมีสิ่งอัศจรรย์คืออาวุธสําคัญคําว่าอาวุธนี้ไม่ใช่อาวุธทําลายคนอื่นแต่ว่าเป็นการทําลายาวุธที่มามาทำอันตรายประเทศของเขาก็น้อยคันปากทนไม่ไหวกาเบรียนนี่ว่าคําว่าประเทศของเขาว่าแถวชื่อประเทศอะไรเจุกขาท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็ตอบว่า ชื่อประเทศที่ฉันไม่บอกใ่กหมายความประเทศนั้นชื่อว่าท่านไม่บอกก็คือไม่บอกประเทศให้ตา น, น้อยก็ถามต่อไปว่าประเทศที่ทำเจ้าของเข้าอยู่เมืองโลกชมโูรหรือว่าโลกรปจันก็แล้วแต่ว่าท่านไม่มีสิทธิ์จะบอกตา น, น้อยก็มองไปมองมาทำทัศนะของคนผู้ใหญ่สนใจมากๆ จะรู้สึกว่าพิถีวิถันมองไปมองมาเห็นภาพจมบอกดวงตมหนึ่งปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเธอก็ถา ม, มาพระจำบอกว่าพวกที่ทำนี้เป็นฝรั่งใช่ไหมเต้ก็บอกว่าที่นี่เขาไม่มีฝรัง่งแต่ก็เป็นนักพยาศาสตร์ของชาวโลกที่เขาทำได้ถ้ามีความเก่งกาจมากกว่าน้อยสลลันในใจ ว่านักวิทยาศาสตร์นี้เขาเป็นช่างผลิษฐ์คิดคนต่างๆเสียงที่ไม่น่าจะเป็นไปก็เป็นไปได้อย่างโลกพระจันทร์กระชมโลกชมพูไกลกันแสงไกลชาวโลกชมพูก็มาได้แต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนอยู่ต้นทางก็เห็นหมดคนทั่วโลกก็เห็นหมดเพืงความว่าถ้าใครดูตรรทัดต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างรู้ด้ยินเชิงก็พูดกัน เป็นความาามระทับใจเข้ามาสมองยากนักตนต้องถือว่าเป็นคนมีบุญเธอก็หันเข้ไปปรึกษากับจุไลไรว่าหลานคิดไหมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาจากไหนจุไลไรก็บอกว่านักวิยาศาสตร์เป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างประดิษฐ์ถ้าใ ช, ช่ใช่ก่อนจริงๆียงน่าจะามาจะชั้นใน ม, มาตรดี เพราะว่าเทวดาชั้นหนึ่งมารดีในบรรณักเป็นนักนิรมิดถ้าเทวดาชั้นประนิมต้องการอะไรเทวดาชั้นหนึ่งมารดีก็ได้รับมิรามิดให้หมดการนิรามิดหรืออดิคือคิดคนมันก็มีสภาพเหมือนกันถ้าเป็นคนต้องคิดต้องทําถ้าเป็นบรรดาคนเทวดาคนนึกเอาเฉยๆเพราะเทวดาไม่มีท่าสี่แต่มนุษย์เรามีท่าสี่ก็ทำหยับของที่เป็น ส่วนหนึ่งเรถ้าสี่มาปรับปรงได้พระก็หันมายิมถ้าบีการตัดสินใจอย่างนั้นดีแต่ความจริงนักวิทยาศาสตร์จริงๆมาจะชั้นน ม, มารดีเกือบทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่หมายว่าทั้งหมดใช่จริงๆป้าน้อยก็กราบทูลถามท่านว่าที่ว่าไม่ใช่นั้งหมดที่ไปจกชั้น น, นี ม, มาลดีเนะี่ยเขาทำอะไร แต่บอกว่าถ้าไปจากเทวดาชั้นนี้นะ่ะจะคิดเฉพาะด้านสันติอย่างเดียวอย่างการมาเที่ยวโลกไปจันเที่ยวโลกเรือคานเที่ยวโลกว่าพุทธประสุคเที่ยวไหนก็ตามแล้วเที่ยวโลกเกิดวันนักคิดเพื่อเที่ยวนี่เป็นชั้นมาจากชั้นนิมาลดีแต่พวกคคนคิดอาวุธนี่ไม่ใช่มาจากชั้นนิมาลดี ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาวุธเป็นเครื่องทำลายประหารชีวิตคิดจะสร้างบาปอันนี้ก็มาจากชั้นอื่นต่ถามว่าชั้นอื่นสามารถทําได้หรือก็ท่าเลยบอกว่าเขาสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าถามก็นน้อยก็กลับเปียนถามได้หมดว่าเพราะอะไรไม่เมื่อมาก่อนนี้เขาเป็นเทวดาแล้ว ก็มเกิดเป็นคนน่าจะสร้างความดีสร้างบารมีต่อทำไมต้องมาสร้างอาวุธเขียงฆ่ากันแต่ก็ตอบ ว, ว่ามีเยอะไปคนที่ไปจากชั้นดีมีบารมีมากพอเกิดปรนุกก็ลืมความดี <c oughs> ลืมความดีลืมบุญกุศลที่ตนทำเพราะรสชาติไม่ได้ขาดการศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ว่าวิชาการด้านเองเขาดีเขาก็ทําคิดเยียค่าของนั้นคิดเยียค่าประเทศนี้คิดเียดค่าเราทหารเหล่านั้นก็รวมความว่าการเห็นผิดการเข้าใจผิดเพราะมิชาพิถิคือบาปเข้าสนองใจเป็นของมีจริงดังนั้เลยบอกว่าการคุยกระดังนี้ก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วจะช้าเกินไปเราตรวจดูกันต่อไปในใบวัตถุคือกฐามีนีเกย์นว่า มีปุ่มปุ่มหนึ่งจะสามารถเปล่งแสงออกไปได้กืรังสีต่างๆปั น, น้ายก็ถามว่ารังสีต่างๆเขาแช่อะไรท่านบอกว่าถ้าปุ่มนี้นะเมื่ออาวุธค่าศิษเข้ามาในข่ายที่เขาต้องการจะป้องกันเมื่อกดปุ่มนี้ลงไปรังสีจะพุ่งไปที่อาวุธนั้นอาวุธจะเบนทิศทาง เขาจะเบนไปไกลแสงไกลไงตามให้เบนกลับหลังหันกลับที่เดิมก็ยังได้นําไม้ควาอุธนั้นจะไปทำลายเจ้าของเองและปุ่มที่สองป่ม น, นี้เขาจะยับยั้งอนุภาพของอาวุธสมมติว่าถ้ายิงเจรวดมาจะทบรังสีนี้เข้าเจรวดนั้งจะด้านถ้าไปตกปุ๊บที่ใดที่หนึ่งก็ตามจัดด้านเฉยๆไม่มีการระเบิด แต่ต้องการให้ไปโตกที่ไหนก็ใช้ดังสีจุดเดิมสั่งเบนทิศทางแต่ว่าสําหรับปุ่มที่สามเมื่ออาวุธยิงเข้ามาเขากดดังสีเนี่ปลายกดขึ้นอาวุธนั้นจะทําลายคือแตกนาอากาศว่าน้อยก็ถามว่าสําหรับสถะฐานนี้จะสั่งการให้อาวุธไปลงที่ไหนนั้นได้ไหมท่านบอกได้เลยเสมอว่าถ้าเขาเองเขายิงจรวต จะไปที่ใดที่หนึ่าตามบังเอิญจะโหดของเขาก็ดูตามภาพในจอจะลงผิดที่ผิดทางที่เขาต้องการเขาจะกดป่มเบนจะโหลดต้องให้ลงเฉพาะจุดที่เขาต้องการได้ทันทีจะวมความว่าสถานีนี้เป็นสถานีที่เงินแภาพมากกว่าสถานีก่อนป้านร้อยก็กร่าทวทูลถามว่าแล้วสถานีนี้ ฐานที่ตั้งคือคมสั่งการอยู่ที่ไหนท่านบอกจะถามท่านเลยเป็นกฎของรรต่าท่นานก็หันมาถามจยู่ลว่าหลังรักอยากจะเที่ยวต่อไปไหมจยู่ลก็กราบเรียนบอกว่าอยาก จ, จะเที่ยวต่อไปจ้ำข้าท่านบอกว่าจะให้ดูอสถานีหนึ่งเป็นสถานีเล็กๆท่านก็ทาไปแล้วเข้าไปถึงนั้นเป็นสถานีย่อม าขคายกว้างจริงๆประมาณสี่คูสี่คือกว้างสี่เมตรแล้วก็ยาวสี่เมตรเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณเจ็ดซอกไม่โตเลยเจ็ดซอกก็สามเมตรครึ่งต่ ำ, ต ำ, ตำๆแคยๆแต่ลักษณะคละาะ้ายๆกับสถานีที่สองมีอะไรคล้ายถึงกันมากแต่ก็บอกว่าดูที่จอให้ดีสิ พอมองที่จอแล้วสถานีนี้มองจะเพาะเอเชียอย่างเดียวถ้าจะเบนทิพทางไปทางยุโรปแลื่อเมริกาจะจางมากดูไม่ถนัดดูได้มิกฉาจะไม่สนัดรู้สึกจางจางมากก็ลงความว่าแล้วจุไลก็กราบเรียนถามว่าหลวงปู่เจ้าคะอย่าจะทราบว่าสถานีนี้ใครสร้างเขาก็เลยบอกให้ถามป้าน้อยเขาสิ วันน้อยเขคนชอบดูวันน้อยคนชอาไปสวดวันน้อยก็นั่งนั่งมองดูสถานีสักครึ่งคึ่งร้อยนาทีก็ตอบบ อ, อกมาว่าเอ๊สถานีนี้จมูกไม่โด่งนะเจมูกแฟบๆใส่เสื้อคอตั้งก็องค์ามนักวิทยาศาสตร์ที่ทําเนี่ยเป็นคนจมูกต่ําๆแล้วก็ใส่เสื้อคอตั้ง จุไรเธอก็มองนั่งจุไรบอกเอ๊ะนี่มีขาดถอยด้วยนะคะน อ, นอกจากจะมีเสื้อคอตั้งจะหมกไม่ดงแล้วมีขากถอยนี่ก็มีอย่างนี้ด้วยพระท่านก็ยินแต่บอกคื อ, อดีมากใช้กำลังใจได้ดีแต่ก็อย่าอย่ารู้รละเอียดเลยนะเอาแค่นั้นก็แล้วกันตัวรองความว่าสามพระธานีไม่รู้ใครเป็นใครกันแน่ พระจะกบอกว่าเท่าที่พามาดูเนี่ยรูปการมาครั้งแรกแมันไม่มีเวลานี้สถานีทั้งสามนี้เกิดขึ้นมาใหม่จิงมาให้ดูจะได้ทราบว่าเวลานี้คนเรามีปัญญาสามารถดีมากเนื่องเป็นกายขึ้นมามากสามารถจะทําอะไรก็ได้กานอยู่กันคนในโลกมองกันมาอะไรก็ได้รู้สภาพความเป็นมา ถ้าพอมีภาพไรที่ต้องการจะสามารถจะบันทึกภาพไว้ได้แต่บอกเท่าที่ดูนี่ไม่มีความหมายอย่างอื่นให้ดูเฉยๆและไม่ต้องการให้รู้อะไรแต่สิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นมีอยู่นั่นคือพ่านพาไปอีกจุดหนึ่งไกลจากที่นั่นพอคนถ้าจะเทียบกับ เมืองมนมุษย์เราแล้วก็จะใช้เวลาสัตะ์ระยะยาวทางไกลประมาณห้าสิบกิโลเมตรขนาที่ลอยเคร้งฟังเป็นอากาศต่ำๆมองเห็นสายเบื้องหน้าขาวพึกดแต่ไม่ใช่ขาวเป็นสีเงินนี่เฉยมีแพร่พาเป็นยับจับแสงคล้ายๆกับแสงต้องแสงอาทิตย์มันมีระกายขึ้นมาสวยมาก พระจะนำพาลงที่นั่นท่านบอกลักษณะทรายแบบนี้ะมีที่ไหนที่นั่นมีทองคําและเป็นทองคําที่มีกําลังหนาแน่นมากเป็นทองคําที่ขุดไม่ลึกเพียงแค่เอามือกดๆทรายออกก็ถึงทองคําแต่ไม่ใช่ทองคําแท่งเป็นแร่ทองคำว่าไม่ใช่แร่ถลุงแต่เป็นทองคําแท่เม็ดเล็กๆท่านบอกว่าพิสจนศดูก็ได้ แต่สองคนทั้งป้าทั้งหลายก็นั่งลงเอามือกวาดกวาดสายกวาดลึกลงไปประมาณสักครึ่งฟุตก็ปรกากฏเลยเห็นเม็ดทองหรืออารลามเป็นทองร้อยเปอร์เซนทุกคนก็ตะลึงพระเต็มบอกว่าดูได้นะแต่ว่าจะหยิบอไปป้าน้อยก็กราบเรียนถามว่าเขามีเจ้าของหรือท่านก็ตอบว่าเธอไม่ได้นําขันห้ามา แบกไปไม่ไหวหรอกที่มาที่นี่ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าทองจุดเนี้เป็นสายเดียวกับทองที่เชียงรายและลำปางหลวตุลยลก็ถามเมือนว่ามันคนละโลกมจ้าคะเชียงรายและลำปางเนี่ยเป็นลูกของโลกชมพูแต่ว่าสถานที่นี้เป็นโลกไปจันท่านก็นหันมาถามมากว่านักิทยสตร์เขาบอกแล้วใช่ไหม ว่าในอากาศมีกระแสไฟฟ้าเดินเป็นปกติทุกคนก็งงในเมื่อนาฬิกสุดท่าก็บอกว่าเอาลเวลาเขาจวนจะเลิกกันแล้วการจะริก่กรรมฐ า, านนวิหารลอยเมย็ดนวีหานแก้วเนะ่ะเขาจะเลิกกันแล้วประเดี๋ยวเขาจะคอยในเมื่อเขาเลิกกันก็เห็นคนสองคนนั่งเฉยๆดีไม่ดีเขาคิดว่าตาย <c oughs> เขาจะนําเดินไปฝังน้ำบำบา ก, กว่าเปล่าท่านก็พากลับ แล้ว่าก่อนที่จะกลับก็แวะไปที่เจียงรายกับที่ลาปางท่านบอกว่าจุดนี้เป็นทองเฉพาะที่เจียงรายจุดนี้นะมีทองคานะแต่กระแสจุดใหญ่ๆเขาต้องคายังไม่มีใครทราบแล้วสายเดินของทองคาสายเดินเดินสายมาตามทางนี้ยิ่งไกลออกไปยิ่มีความจางสูง เวลานี้ไกลจากสายที่ไกลออกไปมีความจางสูงแล้ก็มีกระแสาข้างๆได้เล่าวางมานานแล้วประมาณทั้งสามสิบปีสามสิบปีเศษผ่านมาใ้ชาวเขาเขาขุดได้กันทุกวันเอ้ขอโทษเดี๋ยวชาวเขาแล้วกันชาวเขาก็ขุดได้กันทุกวันเวลานี้เขายังขุดกันอยู่แต่ว่าความจริงที่เขดจริงยังไม่ถูกสาย ถ้าสายจริงๆต้องดูว่าเขาลูกนี้มีลักษณะแบบนี้จุดสีขาวอยู่ตรงนี้โคดชิ้นนี่อยู่ตรงนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้ข้าวสายของเขาข้างขวาของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าหากเดินตามสายนี้ยืนจากเขาลูกนี้ออกไปหันหน้าไปทางทิศใต้ขุดตามทางสายนั้นเขาจะเจอแหล่งทองคําที่มีความสําคัญมากแตจะได้ว่า เราเป็นนักบุญก็ไม่ควรทีจะเข้ามายุ่งกับทองคําประเภทนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาเขา ก, กรมทรัพยากรเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทางราชการเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่วาระมันยังไม่ถึงคือว่ายังไม่มีคนม า, มาทําสัมปบัติละมั้งฉะนั้นเป็นหน้าที่เขามันเมืองเรื่องเราไม่เกี่ยว เวลานี้อีกว่าเดี๋ยวเดียวก็หมดเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุนผลจงมีแดบ่บรรดาท่พุทธศาสนิกช น, นผู้อ่านทุกท่านสวัสดี